เรื่องราวต่างๆของพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปและสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรให้อยู่คู่กับใจไป ตลอดอนันตาการสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเองว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลเป็นทรัพย์สมบัติของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงมอบไว้ให้เป็นมรดก แก่ชาวพุทธและสัตว์โลกทั้งหลายที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์และปรารถนาความสุขที่แท้จริงและที่ถาวร <c oughs> เป็นสมบัติอันล้ำค่า <c oughs> เนื่องจากว่าไม่มีสมบัติอันใดในโลกนี้สามารถ ทำในสิ่งที่พระพุทธศาสนาทำให้ได้นั่นก็คือการกำจัดความทุกข์อย่างทาวรและการสร้างความสุขอย่างทาวรให้แก่จิตใจนั่นเองสมบัติอันนี้เป็นสมบัติที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบด้วยพระองค์เอง <c oughs> และนาเอาม า, ม, ามอบหมายมอบให้กับผู้ที่ มีความปรารถนาที่อยากจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์และพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ถาวร <c oughs> หลังจากที่พระ อ, องค์ทรงจากไปสมบัติอันนี้ก็กลายเป็นมรดกของชาวพุทธเราทั้งหลายที่เราจำเป็นที่จะต้อง <c oughs> ดูแลรักษาและใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่ใจของพวกเราทุกคนใจของพวกเราคนนี้ยังสามารถที่จะรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เหมือนกับใจของส า, าสนิกชนในยุคพระพุทธกาลยุคในพระพุทธกาลมีที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์และได้พบความสุขที่ถาวรได้อย่างไร การดุจพ้นและการได้พบกับความสุขที่ถาวรในยุคในสมัย <c oughs> ปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถเป็นไปได้อยู่เช่นกันถ้าเราชาวพุทธเรารู้จักหน้าที่ของเราและทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์เราก็จะได้ประโยชน์จากสมบัติอ น, น้ำค่าจากมรดกที่พุทธเจ้าได้ส่งมอบไว้ให้กับพวกเราและ ยังจะสามารถดูแลรักษาให้สมบัติอันล้ำค่านี้ได้คงอยู่กับโลกนี้ต่อไปเพื่อที่จะได้เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้แก่อานุชนรุ่นหลังที่จะตามมาต่อไปวิธีการที่เราจะรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาและ และมอบพระพุทธศาสนาให้แก่อนุชนรุ่นหลังนี้ก็คือการน้ำการทําหน้าที่สี่ประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายไว้ให้กับชาวพุทธเรากระทากันหน้าที่ข้อที่หนึ่งก็คือการศึกษาพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อักษาเมื่อได้ศึกษาแล้วก็นำไปสู่ข้อที่สองหน้าที่ข้อที่สองก็คือการนำเอาความรู้แท้ที่ได้ศึกษามาปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติ ด, ด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เมื่อได้มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะนำไปสู่หน้าที่ขั้นที่สามก็คือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆบรรลุมรรคผลนิพพานคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในขั้นต่างๆที่มีแบ่งไว้สี่ขั้นด้วยกันที่เรียกว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพาน ull. เน่เมื่อได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว ก็นำไปสู่หน้าที่ข้อที่สก็คือการนำเอาธรรมะที่ได้ได้บรรลุ ถ, ถึงนี้มาเผยแผ่สั่งสอนแก่ผู้อื่นต่อไปเพื่อผู้อื่นจะได้เรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องและเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลต่อไป นี่แหละคือหน้าที่ของชาวพุทธเราที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้ควบคู่กับมรดก อ, อันน้ำค่าคือธรรมะอันประเสริฐที่ไม่มีใครที่จะสามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเอง <c oughs> นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแต่พอ พระพุทธเจ้าได้เข้าถึงธรรมะอันประเสริญนี้แล้วก็สามารถนำเอานเอาธรรมะอันประเสริญนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์และการพบความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรด้วยการนำเอาไปปฏิบัติ <c oughs> นี่คือ เรื่องของศาสนาพุทธและเรื่องหน้าที่ของชาวพุทธเราที่จะต้องปฏิบัติกันต้องทำกันเมื่อทำแล้วเราก็จะได้รับผลได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้สามารถที่จะมอบให้กับเราได้ต่อให้เรามีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตาม มียศมีตำแหน่งสูงมากน้อยเพียงไรก็ตามได้รับรางวัล ต, ต่างๆมากน้อยเพียงไรก็ตามหรือได้ไปสัมผัสกับความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆมากน้อยเพียงไรก็ต่างสิ่งเหล่านี้นั้นไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ได้อย่างถาวอนและไม่สามารถมอบความสุขให้กับใจได้อย่างถาวน เป็นความสุขชั่วคราวและเป็นการดับความทุกข์ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ความทุกข์นี้จะไม่มีวันหมดไปและความสุขที่ได้มาก็จะไม่อยู่อย่างยังย่งยืนไปกับจิตใจมีอย่างเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่จะให้การดับทุกข์ได้อย่างถาวรและความสุขที่ ย, ยั่งยืนไม่มีวันไ ม, ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นก็คือการ บรรลุถึงผลของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเองดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องให้ความสำคัญถ้าเราอยากที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์และพบกับความสุขที่ยั่งยืนนี้เราก็ต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งก็มีแสดงไว้สามประการด้วยกัน ที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่หลังจากได้ทรงตัดสรู้พระธรรมันประเสริฐแล้ว <c oughs> ก็จะนำเอาความรู้อันประเสริฐนี้คือวิธีการดับความทุกข์และวิธีการสร้างความสุขที่ยั่งยืนนี่มาเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกผู้ที่มีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้ และอยากที่จะได้รับผลจากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ <c oughs> คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะมาตัดสันรู้ในยุคไหนสมัยไหนนี่ <c oughs> คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้ <c oughs> ก็จะเป็นคำสอนที่เหมือนกันถึงแม้ว่าช่วงเวลาของแต่ละยุละสมัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ จะอยู่ห่างกันไกลแสนไกลขนาดไหนก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่เคยพบปะเคยรู้จักกันมาก่อนก็ตามแต่วิธีการดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ได้ใช้ในการดับทุกข์นั้นมีเหมือนกันทุกทุกพระองค์เหมือนกับยารักษาโรคหรือวิธีการรักษาโรคของหมอของแพทย์ใน ในโลกปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไหนอยู่ที่เมืองไหน <lat il> การรักษาโรคแต่ละโรคนี้ก็จะรักษาเหมือนๆก <c oughs> ันเพราะว่านี่มันเป็นหลักของวิทยาศาสตร์หลักของเหตุของผลหลักของความเป็นจริงนย่างนี <c oughs> ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ว่ามีอยู่สามข้อด้วยกันถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราต้องการจะพบกับความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรเราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติทำสามข้อนี้ข้อที่หนึ่งก็คือให้ละา ก, การกระทำบาปทั้งปวง ข้อที่สองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและข้อที่สามให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองที่สร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจที่ที่ปิดบังปิดกั้นความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรไม่ให้ปรากฏขึ้นมา นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระองค์ไหนก็ตามเมื่อมาตัดสู้แล้วก็จะสอนเหมือนกันดังนั้นชาวพุทธเราจึงควรที่จะทำความเข้าใจว่าไม่มีผลไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะมารอพบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเพราะตอนนี้เราได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้แล้ว ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พบกับตัวของพระพุทธเจ้าเองก็ตามแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปว่าพระธรรมอันประเสริฐพระธรรมที่ทรงตัดไว้ชอบแล้วนี้จะเป็นศาสดาของพวกเราต่อไปคือพระธรรมที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกัน ทรงแสดงธรรมทุกๆวันยกเว้นเวลาที่ทรงประชวรหรือไม่มีมีเหตุอย่างอื่นที่ทำให้ทรงแสดงไม่ได้เท่านั้นพระองค์จะทรงแสดงถือว่าเป็นพุทธกิจที่สำคัญพุทธกิจที่พระเจ้าได้ทรงบำเพ็ญประจำหมีห้าหพุทธกิจด้วยกัน พ, พุทธกิจข้อที่หนึ่งก็คือจะทรงแสดงสั่งสอนทำให้กับศรัทธาญาติโยม ผู้ครองเรือนในยามบ่ายในยามค่ำก็จะทรงแสดงธรรมให้กับนักบวชภิกษุภิกษุณีและในยามดึกก็จะทรงแสดงธรรมให้กับเทวดาทั้งหลายและช่วงก่อนที่จะเสด็จออกบิณฑบาตในยามเช้า<ม>ก็ทรงเร่งญาณดูว่าจะไปโปรดไปสอนธรรมะให้กับผู้ใดเป็นกรณีพิเศษในวันนั้น หลังจากนั้นก็จะเสด็จออกบินทบาทโปรดสัตว์นี่คือพุทธกิจห้าข้อของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอจนถึงวันสิ้นสุดของชีวิตของพระองค์เองพระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อการเผยแผ่สั่งสอนทมอันตรเสริฐ ทามันประเสริฐที่ได้ทรงแสดงนี้ก็จะมีผู้ที่ได้ยินได้ฟังคือภิกษุภิกษุณีที่จะนำเอาไปท่องจำกันแล้วนำเอาไปปฏิบัติและก็จะมีการจดจำกันแล้วก็เอามาสืบทอดมาแบ่งปันให้กับภิกษุภิกษุณีหรือผู้ที่ไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อน ค ำ, คำสอนเหล่านี้ได้มีการจดจำ เ, เอาไว้บันทึกเอาไว้ต่อมาก็มีการบันทึกไว้ในพระคมภีที่เรียกว่าพระไตรปิฎกอันนี้แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเข้าถึงธรรมอันนี้ก็ถือว่าได้เข้าถึงตัวพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังธรรมจากพระโอษฐเลยโดยตรง ดังนั้นเราจึงยังถือว่าเรายังมีพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกเราอยู่ถ้าเราเข้าหาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่ศึกษาพร ะ, พระคมภีต่างๆพ ร, พระสูตรต่างๆศึกษาพระสูตรที่จะสอนวิธีการดับทุกข์สอนวิธีการสร้างความสุขอันนี้คือ <c oughs> การเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าเรามีพระพุทธเจ้าในยุคนี้แล้วเราไม่ต้องไปรอพระพุทธเจ้าในยุคหน้าบางคนบางท่านคิดว่าตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ <c oughs> ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้บรรลุถึงผลได้ต้องเจอกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็เลยมุ่งไปรอพบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่และโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคเดียวกับที่มีพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ใช่เป็นของที่ง่ายได้เพราะการเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ก็เป็นของที่ยากแสนยากไม่ใช่เป็นของที่เกิดขึ้นได้เรื่อยๆแต่เป็นของที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งและการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ก็เป็นของที่ยากเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ทุกครั้งหลังจากที่ตายไปแล้วหลังจากที่ตายไปแล้วนี่ดวงวิญญาณของพวกเรานี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปติดอยู่ที่ไหนไปติดอยู่บนสวรรค์อยู่ในสุกตินานสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรือไปติดอยู่ในทุกติไนยบายนานสักเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้ ก็่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ดังนั้นการที่เราจะโยนโยนสิ่งที่ดีที่งามที่วิเศษที่มีคุณมีประโยชน์กับเราไปแล้วมานั่งรอหวังพบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนี้เป็นความคิดที่โง่เขลาเบาปัญญาเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า ในองค์ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่และยังมีพระ อ, อริยสงสาวกผู้ที่จะเป็นผู้ที่จะนําเอาคําสอนอันเดิมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้มาเผยแพร่มาสั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจถ้ามีพระ อ, อริยสงสาวกเป็นผู้สั่งผู้สอนคําสอนของพระพุทธเจ้านี้จะไม่ถูกบิดเบือนไปจะเป็นคําสอนที่ ตรงต่อความจริงทุกประการสามารถยึดนำอาไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรจะมีความมั่นใจว่าเรายังมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราในรูปแบบของพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคําสอนที่เราสามารถที่จะศึกษาได้ในเบื้องต้นสิ่งที่เราควรจะศึกษาก็คือศึกษาจากพระไตรปิฎกก่อนแต่เนื่องจากพระไตรปิฎกนี้มี <c oughs> มีเป็นจํานวนมาก <c oughs> ก็เลยมีการเอาคัดเอาบทพระธรรมคําสอนที่เป็นบทสําคัญสําคัญมาสอนให้กับผู้ที่สนใจศึกษา ไม่จำเป็นที่จะต้องศึกษาทั้งพระไตรปิฎกศึกษาเพียงพระสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานและให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็พอซึ่งก็มีพระอริยสงสาววกของพระพุทธเจ้าได้นำามามาเผยแผ่สั่งสอนและได้มีการคัดออกมา เป็นพะสสำคัญต่างๆที่ชาวพุทธเราควรที่จะศึกษากันอยู่ไม่กี่พ ร, สรพรสศดันแรกก็คือมองคลละูตรเป็นพรสรที่สอน38ขั้นด้วยการวิธีการปฏิบัติ38ขั้นสู่พานิพานแล้วก็สอนเรื่องพะธร ร, ะ ร, ร, ะ ร, ระมะจักกับปวัตนสูตรก็สอนมากแปด วิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็มีสติปัฏฐานสูตรที่สอนวิธีเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาซึ่งเป็นการปฏิบัติในระดับของของภาวนาคือการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเพียงแต่เรียนรู้พระสูตรเหล่านี้และยังมีอีกอีกพระสูตรที่ก็คือ พะอนัตตลักษณ์คณสูตรที่สรงสอนให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นภาวะทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยไม่มีบุคคลใดมาทำให้เกิดด้วยทำให้ดับนะนี่คือข้อสูตรสำคัญสำคัญที่เราชาวพุทธมีความสนใจที่อยากจะนำมาไปใช้ในการปฏิบัติ ควรจะศึกษาไว้ก่อนไว้เป็นไว้เป็นมาตรฐานเพราะถึงแม้ว่าเราจะได้ศึกษาพระสูตรเหล่านี้แล้วแต่ความรู้แต่ความเข้าใจของผู้เหล่านี้ยังอาจจะไม่ลึกซึ้งพอที่จะนําเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลได้สิ่งที่เราต้องทําต่อไปหลังจากที่เราได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกแล้วก็ <c oughs> คือควรจะไปศึกษากับพระอริยบุคคลต่อไป เราสามารถที่จะค้นหาค้นพบพระอริยบุคคลได้เราก็ไปศึกษากับท่านแล้วเราก็ใช้บทพระธรรมที่เราได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกนี้มาเป็นเหมือนกับเป็นมาตรวัดคําสอนของพระอาจารย์ที่เราไปศึกษาด้วยดูว่าท่านสอนในแนวเดียวทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ ในพระไตรปิฎกหรือไม่ถ้าท่านสอนในแนวทางเดียวเราก็จะได้มีความมั่นใจว่าท่านรู้จริงเห็นจริงท่านจะสอนให้เราได้หลุดพ้นได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าท่านสอนในแนวทางที่ไม่ตรงกับที่พระเจ้าได้ทรงสอนเราก็จะได้รู้ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นทางที่จะพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ นี่คือประโยชน์<ม>การศึกษานี้ต้องมีแหล่งที่เราสามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้ถ้าเราศึกษาอยู่เพียงแหล่งเดียวเราก็ไม่รู้ว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งที่ถูกต้องแท้จริงหรือไม่แต่ถ้าเรารู้ว่ามีแหล่งที่ถูกต้องแท้จริงอยู่ในพระไตรปิฎกเราก็ไปศึกษาแหล่งที่ถูกต้องที่แท้จริงก่อนถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถที่จะนํามามาปฏิบัต เพื่อทําให้เราได้เกิดมากเกิดผลขึ้นมาได้ก็ตามเพราะว่าความเข้า อ, อกเข้าใจของเราเนี่ยยังไม่ลึกซึ้งพอเนื่องจากใจของผู้ศึกษาผู้ปฏิบัตินี้ยังมีกิเลสตันหาโมหาอาวิชชาครอบงําอยู่ซึ่งอาจจะทําให้การศึกษาจากพระไตรปิฎกนี้ถูกบิดเบือนไปและไม่สามารถที่จะนํามาไปปฏิบัติให้ถูกต้องใ ห, ให้ได้ผลได้ เราจึงต้องอาสัยพระอริยบุคคลมาช่วยเสริมมาช่วยสอนมาช่วยอธิบา ย, ช, ยช่วยชี้วิธีของการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรเราจึงยังต้องไปศึกษากับครูบาอาจารย์กันอยู่ถึงแม้ว่าเราจะได้ศึกษาจากพระพุทไตรปิดกแล้วพอรู้แนวทางแล้วว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนี้ได้นั้นต้องทาอย่างไร แต่วิธีรายละเอียดนั้นเรายังอาจจะไม่รู้มากพอที่จะสามารถทำให้เราสามารถบรรลุถึงมรรคถึงผลได้เราจึงจาเป็นที่จะต้องไปสแสวงหาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีพระปฏิบัติชอบที่จะสามารถสั่งหรือสอนให้เราได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำวิธีที่เราจะ ค้นคว้าหาพระอริยะบุคคลในยุคปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายวิธีคือเราก็ต้องไปทดลองเอาเราเบื้องต้นเราก็อาจจะสอบถามกับเพื่อนทางธรรมกันว่ามีพระอาจารย์รูปไหนบ้างที่มีผู้ยกย่องว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ไปลองไปศึกษาดู อีกวิธีหนึง่งเราก็มีประวัติของพระสุปฏิปันโนที่ได้รับการรับรองจากการที่พระอาทิของท่านได้กลายเป็นพระธาตุคือพระอาจารย์ที่ร่วงรับไปแล้วเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวพระอาจารย์ที่อยู่ในสายของหลวงปู่มั่นนี้ส่วนใหญ่เวลาที่ท่านตายไปแล้วนี่ กระดูกของท่านนี้จะกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาการที่กระดูของของคนนี้กลายเป็นพระาธาตุขึ้นมานี้ก็เป็นการบ่งบอกหรือเป็นการยืนยันว่าบุคคลนี้ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้ว mm hmm. แต่เนื่องจากท่านตายไปแล้วแต่ท่านก็ยังทิ้งมรดกไว้ให้กับพวกเรา mm hmm. คือคําสั่งคําสอนที่ได้มีการเอาบันทึกไว้เป็นตัวอักษรก็มี หรือเป็นเสียงก็มีหรือเป็นภาพก็มีที่เรายัางสามารถที่จะศึกษาได้ศึกษาจากพระที่ที่กระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุแล้วเป็นพระอาหารหันต์แน่นอนเราก็ศึกษาคำสอนของท่านได้ถึงแม้ว่าตัวของท่านจะไม่อยู่แล้วแต่คำสั่งคำสอนของท่านนี้ก็จะเป็นคำสอนที่ถูกต้องแม่นยำอย่างแน่นอน ส่วนพระอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เราก็ยังไม่รู้ว่ากระดูกของท่านนี้จะกลายเป็นพระธาตุหรือไม่อันนี้เราก็ต้องทดลองดูเอาคําสอนของท่านมาปฏิบัติเอามาเปรียบเทียบกับคําสอนของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ล่วงรับไปแล้ว<ม>ดูว่าเป็นการสอนที่เหมือนกันหรือไม่มถ้าเป็นการสอนที่เหมือนกันเราก็ ควรที่จะลองนำาอามาปฏิบัติเมื่อถ้าเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วผลจะก็ต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนนี่นี่คือเรื่องของการศึกษาเพื่อจะนําไปสู่การปฏิบัติเราต้องพยายามศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องเป็นแหล่งแท้เวลาที่เราไปซื้ออะไรเราก็อยากจะได้ของแท้กันซื้อทองคำเราก็อยากได้ทองแท้ ซื้อเพชรนินจินดาเราก็ต้องการเพชรนินจินดาที่เป็นของแท้เพราะถ้าได้ของปลอมมาเราก็จะไม่ได้ของที่มีคุณค่าที่ไม่สามารถนำเอาไปทาประโยชน์ให้กับเราได้นั่นเองธรรมะคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นต้องเป็นคำสั่งคาสอนที่แท้ก็คือที่พระไตรปิฎกหรือที่คำสอนของพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า ที่ได้ร่วงละบไปแล้วแต่มีคําสอนบันทึกเก็บเอาไว้เราก็สามารถนําเอามาศึกษาเอามาปฏิบัติได้แต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะอยู่ในกรอบของพระธรรมคําสอน3ข้อใหญ่ๆนี้ทุกคําสอนของไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามถ้าจะอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนี้ต้องอยู่ในกรอบของคําสอนทั้ง3ข้อนี้ ข้อแรกก็คือให้ละการกระทําบาปทั้งปวงข้อที่สองให้สร้างบุญสร้างกุศลชนิดต่างๆให้ถึงพร้อมและข้อที่สามให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจคำสอนของทุกๆพระองค์ของพระอาจารย์ทุกๆรูปนี้จะต้องสอนอยู่ในกรอบของ คำสอนของพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> ถ้าท่านไม่สอนคำสอนเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมีความระแวงสงสัยแล้วทำไมท่านไม่ส อ, น, mm hmm. อนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กัน mm hmm. เรียนรู้ข้อที่หนึ่ง mm hmm. ก็คือการละ mm hmm. การกระทาบาปทั้งปวง mm hmm. เราต้องรู้ว่าอะไรคือบาป mm hmm. บาปก็คือการ การกระทาที่ทำให้เกิดโทษแก่ผู้อื่นและสร้างความทุกข์ให้กับเราผู้กระทาเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์ของผู้อื่นการประพฤติผิดประเพณีและการพูดปดและการดื่มสุรายาเมาเป็นการกระทาที่เกิดโทษกับผู้อื่นและเกิดโทษกับตัวของผู้กระทา ก็คือเกิดความทุกข์ขึ้นมาการปฏิบัินี้ปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ดังนั้นการกระทำอะไรที่เป็นการสร้างความทุกข์ก็ต้องมีการระ ง, งับไม่กระทำนั่นเองความทุกข์ถึงจะไม่เกิดความทุกข์มันอยู่ดีๆมันไม่เกิดขึ้นมาเองความทุกข์มันเกิดจากการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจของผู้ปฏิบัติเองถ้าผู้ปฏิบัติยังมีการกระทาบาปอยู่ ยังมีการฆ่าสัตว์ยังมีการลักทรัพย์ยังมีการประพฤติผิดประเพณียังมีการ <c oughs> พูดปดและมีการดื่มสุรายามเมาอยู่ความทุกข์ย่อมไม่มีวันหมดไปจากผู้ปฏิบัติได้ในเบื้องต้นนี้ต้องกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการกระททำทางกายทางวาจาก่อนก็คือ ก, การกระททำบาปและการเสพอบายมุข เพราะการเสพอบายมุกนี้เป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดมีการกระทำบาปนั่นเองเช่นการดื่มสุรายาเมานี้ความจริงไม่ได้เป็นการกระทำบาปโดยตรงแต่เป็นการทำให้การกระทำบาปนี้เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าเวลาดื่มสุราแล้วเกิดอาการมึนเมาขึ้นมามก็จะไม่สามารถควบจะไม่มีสติควบคุมความคิดการพูดการกระทาได้ เวลาคิดอะไรไม่ดีก็ไม่มีอะไรที่จะมายับยั้งไม่ให้ไปพูดไม่ให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีได้นั่นเองแต่ถ้าไม่มีการดื่มสุรายาเมาก็จะมีสติสัมปชัญญะที่จะสามารถรู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่<ม>กำลังคิดดีหรือคิดชั่วอยู่ถ้าคิดชั่วก็สามารถที่จะรงับหยุดมันได้ถ้ามีฮิริโอตปะด้วย เฮเรโอตบาบก็คือความละอายหรือความกลัวผลของบาปที่จะเกิดขึ้นมานั่นเองผลของบาปคืออะไรก็คือความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นมาทุกครั้งที่เรามีการกระทําบาปไม่ว่าจะเป็นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีหรือพูดตดทําไปแล้วความทุกข์ใจจะปรากฏขึ้นม า, ท, าทันทีในเบื้องต้นแล้วนอกจากนั้นยังมีผลที่จะตามมาต่อไป หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วด้วยเพราะว่าบาปที่ได้ทำไว้นั้นยังมีสะสมอยู่ในใจอยู่และบาปที่สะสมอยู่ในใจนี้แหละจะเป็นผู้ที่จะดึงดดดวงวิญญาณให้ไปเกิดในอบายให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างนี่คือผลที่เกิดจากการกระทาบาป ถ้าเรามีเฮลรโอตปะพอใจเราเริ่มคิดที่จะคิดไปในทางการกระทำบาปเราก็จะไม่กล้าทำกันเพราะเรากลัวผลที่มันจะเกิดขึ้นมานั่นเองนี่คือสิ่งที่เราจะต้องละให้ได้ในเบื้องต้นของการกำจัดความทุกข์เป็นการกำจัดความทุกข์ในระดับต่ำา ใ, ในระดับที่ง่าย เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถครวบคุมได้<ม>ถ้าเรารู้จักวิธี<ม>วิธีก็คือเราพยายามอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุก<ม>เพราะว่าอบายามุกนี้จะเป็นตัวที่จะพาให้เราไปทำบาปได้ง่ายขึ้นนั่นเองการดื่มสุรายาเมาวก็เป็นอบายามุกข้อหนึ่งการเล่นการพนันก็เป็นข้อที่สองการเที่ยวเตะ เป็นข้อที่สามความเกียดข้านเป็นข้อที่สี่และการครบกับบุคคลที่ชอบอบายมุขนี้ก็เป็นข้อที่ห้าเพราะถ้าเราไปคบกับคนที่ชอบดื่มสุราเขาก็จะดึงเราชวนเราให้ไปดื่มสุรากับเขาถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยว ถ้าเขาชอบความเกลียดค้านเขาก็จะชวนให้เราเกลียดค้านซึ่งการกระทำอบายยมุกนี้ไม่มีไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเมื่อเราทําบ่อยๆรายจ่ายก็จะมากขึ้นแล้วในที่สุดก็ จ, จะทําให้เราขาดเงินขาดทองไม่พอใช้พอเราขาดเงินขาดทองไม่พอใช้แล้วเรามัวแต่เสพ บ, บายยมุกเราก็จะไม่มีวิธีที่จะหาเงินมาได้อย่างสุดเจริญ เราก็เลยจะไปหาเงินทองมาเพื่อสนับสนุนการเสพอบายามุขของเราด้วยการไปกระทำบาปเช่นไปลักทรัพย์ไปช่อโกงและถ้าเกิดมีการต่อสู้กันก็ อ, อาจจะมีการฆ่ากันตามมาเ<ม>นื้ออบายามุขจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเข้าไปเสพถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวบาปโดยตรงแต่ก็จะทำให้ ผักดันให้ใจไปกระทําบาปได้ง่ายขึ้นนั่นเอง mm hmm. จึงต้องละอบายามุข ค, คือละการเ mm hmm. ดืนสรายามาเล่นการพนันเที่ยวเต่ความเกียดค้านและคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นนิตถ้าเราสามารถที่จะไม่เสพอบายามุขได้เราก็จะได้ไม่ไปอยู่ใกล้ทางเข้าอบายนั่นเองอบายแปลว่า ที่ไปของผู้ที่กระทําบาปมุกก็คือทางเข้าเทาวานอบา ย, ยมุกนี้ก็เป็นเหมือนกับไปยืนอยู่ที่หน้าทางเข้าอบายมันก็จะทําให้การเข้าอบายนี้เข้าไปได้อย่างง่ายดายนั่นเองแต่ถ้าเราอยู่ห่างไกลจากประตูทางเข้าอบายโอกาสที่เราจะเข้าอบายก็จะเป็นโอกาสที่ยากมากนี่คือข้อที่หนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทุกคนที่ปรารถนาการพ้นทุกนี้ขอให้เราพ้นทุกจากการกระทำบาป ก, ก่อนอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเพณีอย่ากโกหกอย่าพูดปดแล้วก็อย่าไปเสพอบา ย, ยมุขแล้วเราก็จะปลอดภัยจากความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปของเรา นี่คือข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองก็คือถ้าเราอยากจะมีความสุขอย่าไปหาความสุขจากอบายมุขอย่าไปหาความสุขจากการเที่ยวเต่การกินการดื่มคืออย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดภพชนิดต่างๆให้เรามาความสุขจากการกระทําความดีต่างๆดีกว่าการกระทําบุญทำกุศล ซึ่งมีหลากหลายวิธีการของการกระทาด้วยกันคือเป็นการกระทาที่เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยการเสียสละประโยชน์สุขของตนของเราที่มีอยู่ที่เราไม่เดือดร้อนที่เราจะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเช่นถ้าเรามีข้าวของเงินทองมากกว่าความจำเป็นของเราที่จะต้องมีต้องใช้เก็บไว้เฉยๆก็ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์ ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้<ม>เวลาที่เราอยากจะมีความสุขอย่าเอาเมงนนี้เอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะการซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดมาเสพซื้อแล้วมันจะติด ม, มันจะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆและเวลาที่ไม่ได้ซื้อมันก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความงุดหงิดใจ ให้เอาเงินที่เราจะไปซื้อยาเสพติดของใจนี้มาซื้ออาหารของใจด้วยการเอาไปทำบุญทำทานเอาไปทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้ในเบื้องต้นเราอาจจะทําคุณทำประโยชน์กับผู้ที่มีพระคุณกับเราก่อนคือตอบแทนบุญคุณแสดงความกตัญญูกะตะเวทีมีเงินมีทองก็แบ่งให้กับบิดามารดา กรูบาอาจารย์ปู่ยาตายายู้มีพระคุณทั้งหลายก่อนแล้วก็อาจจเจ้าไปทำคุณทำประโยชน์ให้กับส่วนอื่นต่อไปตามแต่ความปรารถนาบางท่านก็ชอบทำบุญกับสัตว์เลี้ยงสัตว์จรจัดเช่นสุนัขแมวอะไรก็ทำได้บางท่านก็ชอบปล่อยปลาถ่ายโคถ่ายวัวถ่ายชีวิตของ ปัวควายอันนี้ก็เป็นการสร้างความสุขให้กับใจเป็นการทำบุญเพราะว่าเวลาทำไปแล้วนี่ก็จะทําทให้ใจมีความสุขใจมีความอิ่มแล้วจะไม่มีความรู้สึกอยากจะเสกเวลาที่เราไม่ได้เราไม่ได้ทำบุญเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนบุญที่เราทํานี้ไม่ได้สร้างความหิวโหยให้กับใจแต่สร้างความอิ่มสร้างความพอให้กับใจอยู่ไปเรื่อย เวลาที่เราไม่สามารถที่จะทำบุญได้เราก็จะรู้สึกเฉยๆรู <c oughs> ้สึกเฉยๆไม่เหมือนกับเวลาที่เราเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดืม่มไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆพอเวลาไม่มีเงินที่จะซื้อเนี่ยแล้วเกิดความมันจะยังมีความอยากจะซื้ออยากจะใช้อยู่ความอยากนี้มันจะเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาจึงไม่ควรที่จะหาความสุข อากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองด้วยการเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยหรือเอาไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะชนิดต่างๆให้เอาเงินทองนี้มาทําคุณทําประโยชน์ให้กับผู้มาสงเคราะห์ด้วยความเมตตากรุณาเห็นผู้เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนนั้นไปการได้บรรเทาความทุกข์การสร้างความสุขให้กับผู้ มันก็จะทําทให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอแจะทําทให้เราไม่มีความรู้สึกอยากจะเอาเงินทองไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราต่างๆหรือเอาเงินทองไปเที่ยวไปเสพไปดูไปฟังอะไรต่างๆนี่คือวิธีการสร้างความสุขของของพระพุทธเจ้าของพระของพระพุทธศาสนาให้เราสร้างความสุขด้วยทําคุณทําประโยชน์ให้กับผู้อื่น ถึงแม้ว่าถ้าเราไม่มีเงินมีทองไม่มีของเหลือเฟือที่จะเอาบาง่งแบ่งันให้กับผู้อื่นเราก็ยังมีร่างกายของเราอยู่เราก็ยังมีเวลามีกำลังกายอยู่เราก็สามารถอุทิศกำลังกายของเราไปทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เช่นไปเป็นจิตอาสาเป็นไปเป็นอาสาสมัครทำงานเกี่ยวกับสาธารณกุศลช่วยกันเวลามีภัยต่าง ช่วยกันขนข้าวขนของอันนี้ไปช่วยกันไปแจกไปจ่ายอันนี้เราใช้กำลังกลังกายของเราและเวลาของเรานี้เป็นการสร้างคุณสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้กับใจของเราได้เหมือนกับการได้ทําบุญด้วยข้าวของเงินทองเช่นเดียวกันนี่ก็คือวิธีการต่างๆในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นมาเป็นความสุขที่ปราศจากพิษภัย ไม่เหมือนกับความสุขที่เกิดจากการไปใช้เงินใช้ทองกับสิ่งที่ไม่จำเป็นของฟุ่มเฟือยของแพงๆหรือของการไปเสพรอกเสียงกลิก่นรดชนิดต่างๆนี่ก็คือวิธีการสร้างความสุขให้กับใจในในระดับระในระดับต้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่สูงกว่านี้และต้องการกำจัดความทุกข์ ที่ละเอียดกว่า น, นี้เราก็จะต้องทําคําสอนทําตามคําสอนข้อที่สามคือเราต้องชําระใจของเราให้บริสุทธิ์ให้ได้ใจของพวกเราตอนนี้ยังไม่บริสุทธิ์ยังมีของยังมีของโสกรปรกเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่นี้เราจะรู้ว่ามันไม่สะอาดแล้วมันจะต้องนําเอาไปซักมันถึงจะสะอาดขึ้นมา ใจของพวกเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้รับการซักพ อ, อกนี่ใจของพวกเรานี้ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่และความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจของเราต้องทุกอยู่กับเรื่องราวต่างๆอยู่เรื่อยๆและทำให้ใจของเรานี้ไม่มีความสุขถึงแม้ว่าเราจะมีของภายนอกเช่นมีทรัพย์สมบัติมีาลาบยศเสริญสุข มากน้อยเพียงไรก็ต่างแต่โล ก, กธรรมทั้งสี่คือลาบยศสารเสริญสุขนี้ไม่สามารถที่จะมาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ไม่สามารถทําใจให้ปราศจากความทุกข์ไม่สามารถทําใจให้มีความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรได้การที่จะทําให้ใจของเรานิสะอาดบริสุทธิ์ได้นี้ต้องอาศัยการปฏิบัติ ธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนาจิตตภาวนาก็แปลว่าการพัฒนาจิตใจการพัฒนาจิตใจให้มีความสงบและให้มีปัญญาคือความรู้ความเจรดเพราะความสงบและปัญญานี่แหละที่จะเป็นเครื่องมือที่จะกาจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความไม่อิ่มไม่พอสร้างความสุข ที่ไม่ถาวนให้กับใจอยู่เรื่อยๆต้องใช้การภาวนาที่เรียกว่าจิตตภาวนาที่มีแบ่งไว้สองขั้นสองตอนด้วยกันขั้นแรกก็คือสมถาภาวนาการทำจิตใจให้สงบหลังจากที่เราทำจิตใจให้สงบได้แล้วเราถึงจะสามารถไปสู่ขั้นที่สองคือการเจริญปัญญา ที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาได้เพราะถ้าจิตใจไม่สงบนี้การเจริญปัญญาจะเป็นปัญญาแบบล้มลุกคลุกขานและเป็นปัญญาที่ไม่มีพลังที่จะเอาไปกําจัดความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้จำเป็นจะต้องมีใจที่สงบใจที่เย็นใจที่นิ่งใจที่ปล่อยวางได้ไปเจริญปัญญาและใช้ปัญญาที่ได้เจริญนี้ ไปหยุดความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้ังนั้นเบื้องต้นของการภาวนาจึงต้องเน้นไปสู่การทำใจให้สงบก่อนที่เรียกว่าสมถภาวนาหรือสมาธิการทำสมาธินี่การสมาสมาธิก็คือการการหยุดนิ่งของใจใจที่หยุดนิ่งปราศจากความคิดปรุงแต่งต่างๆใจที่นิ่งด้วยอุเบกขาอันนี้เรียกว่าสมาธิ และการที่จะทําให้ใจนิ่งเป็นสมาธิได้นั้นจําเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือสติที่จะมาหยุดความคิดต่างๆที่ทําให้ใจไม่นิ่งนั่นเองใจของพวกเรานี้ไม่เคยนิ่งเลยเพราะว่าเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี้เราไม่เคยใช้สติเบรกความคิดของเราเลยพอเราเตื่นขึ้นมาเราก็เริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เริ่มไปทํานูน่ทนทํานี่ควบคู่ไปกับความคิด เรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วก็คิดไปเรื่องนู้นต่อแล้วก็กลับมาคิดเรื่องนี้ใหม่คิดวนไปเวียนมาอยู่ทั้งวันทั้งคืนใจของเราเลยไม่เคยเกิดความสงบหรืความนิ่งแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตตั้งแต่เกิดมาเพราะเราไม่รู้จักการใช้สติเราไม่รู้ว่าการทําใจให้นิ่งให้สงบนี้มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ยิ่งกว่าการหาเงินหาทองหาลาบยศสารเสวนสุขมาให้กับเรา เราไม่รู้ความจริงอันนี้เราเลยไม่ให้เราเลยไม่มีให้ความสำคัญต่อการเจริญสติการฝึกสติเพื่อหยุดความคิดแต่ถ้าเราได้มาศึกษาได้ยินได้ฟังคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเริ่มเห็นความสาคัญของการฝึกสมาธิของการเจริญสติเพราะว่าถ้าเราสามารถเจริญสติแล้วหยุดความคิดต่างๆได้ใจของเราก็จะนิ่งเป็นสมาธิ แล้วผลที่เกิดจากการนิ่งของสมาธิก็คือความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาและความสงบนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะผลิตความสุขความสุขที่แท้จริงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งตัวที่พพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบในโลกนี้ไม่มีต่อให้มีความสุขจากลาภยศสรรเสริญ ส, สุขในระดับมหาเศรษฐี ในระดับประธานาธิบดีพระราชามหากษัตริย์ก็กตา่างความสุขเหล่านี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบนี้ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นมีความสุขที่แท้จริงและสามารถที่จะใช้ในการดับความทุกข์ต่อไปได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้อง ต้องศึกษาเรียนรู้ก็คือวิธีเจริญสติว่าการเจริญสตินี้เจริญอย่างไรเพื่อให้ใจเราหยุดคิดให้ได้เพื่อให้เราเวลานั่งสมาธินั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วสามารถควบคุมความคิดไม่ให้คิดอะไรได้ทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้ให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาและเรียนรู้ซึ่งการศึกษาจะเรียนรู้วิธีการปฏิบัตินี้ จำเป็นที่จะต้องศึกษากับผู้ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วถ้าผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติด้วยการมาสอนกันนี่ก็จะสอนแบบผิดผิ ด, ผดถูกถกูเพราะตัวผู้สอนก็ยังไม่ได้ยังไม่สามารถทำใจของตนให้สงบให้นิ่งได้แล้วจะไปสอนให้ผู้อื่นใจของผู้อื่นให้สงบนิ่งได้อย่างไรถ้าอยากจะเรียนวิธีทำสมาธิต้องไปเรียนกับคนที่ได้สมาธิแล้ว ถ้าไปเรียนกับคนที่ยังไม่ได้สมาธินี่เรียนยังไงเราก็จะไม่ได้สมาธิเหมือนกับคนที่สอนนั่นแหละดังนั้นสิ่งที่เราต้องขวนขวายหาให้ได้คือคือผู้ที่รู้จักวิธีทำสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็ไปเรียนรู้จากท่านดังนั้นทุกท่านที่สอนวิธีทำสมาธินิยธรสอนเหมือนกันก็คือสอนให้เรามีสติให้เราใช้กรรมฐาน ที่เป็นอารมณ์ที่เราสามารถเอามาใช้เพื่อหยุดความคิดได้กรรมฐานนี้ก็มีแสดงไว้ในตำราถึงสี่ิชนิดด้วยกันแต่เวลาที่เราปฏิบัติจริงๆนี้เราจะใช้เพียงไม่กี่กรรมฐานด้วยกันกรรมฐานส่วนใหญ่อันแรกที่เราจะใช้กันโดยทั่วไปสามารถใช้ได้ตลอดเวลาก็คือพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้ า, เ, จ า, เ, จาเป็นที่ตั้งของสติเรา ด้วยด้วยการบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธถ้าเราสามารถบริกรรมพุทโธอยู่เรื่อยเรื่อยเราจะสามารถหยุดความคิดต่างๆได้เพราะเราจะต้องเอาความคิดมาคิดอยู่กับคำคำ ว, ว่าคำบริกรรมพุทโธนั่นเองเมื่อเราเอาความคิดมาคิดอยู่กับคำบริกรรมพุทโธเราก็ไม่สามารถเอาความคิดไปคิดเรื่องอื่นได้ความคิดก็คือสังขารความคิดปรุงแต่งของใจเรานี่ ถ้าถ้าเราไม่มีการเอาสังขารความคิดปรุงแต่งมาคิดบริกรรมพุทโธสังขารก็จะสามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถึงแม้ขณะที่เราเอาสังขารมาคิดถึงพุทโธสังขารมันยังมันยังหลบไปคิดถึงเรื่องอื่นได้ด้วยดังนั้นเวลาที่เราเริ่มต้นหัดภาวนาใหม่ๆเช่นเวลาที่เราหัดเจริญพุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธใหม่ๆนี้อย่าไปคิดว่าเราจะอยู่กับพุทโธได้อย่างเดียว พอเราเผยแว บ, บเดียวมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีในขณะที่เรากำลังพุโทโธอยู่แต่เราก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าในเบื้องต้นของการปฏิบัตินี้กำลังของเราที่จะดึงให้มาอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธนี้ยังมีไม่มากพอและมีไม่ได้นานเนี่ยเราจะบริกรรมพุโทโธกันได้นานสักเท่าไหร่เคยลองบริกรรมดูไหมว่าจะได้สักกี่นาทีกัน บริกรรมได้สองสามวินาทีเดี๋ยวก็แวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติของผู้ที่ฝึกขัดเริ่มต้นใหม่ที่จะต้องลนลุกคุกคานไปก่อนในการจเจริญสติข้อสำคัญก็คือขอให้เราทำแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่ถอยไม่ยอมแพ้พอเราเผลอเมื่อไหร่รู้ว่าเผลอก็เดินกลับมาอยู่กับคำบริกรรมพุทโธใหม่อันนี้เป็นการเริ่มสกัดความคิด ตอนต้นก็อาจจะสกัดได้ทีละเล็กทีละน้อยเพราะกําลังของพุทโธของเรามีไม่มากพอแต่ถ้าเราเริ่มทําบ่อยๆเข้ากําลังของพุทโธก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นไปแล้วต่อไปนี้เราจะสามารถบริกรรมพุทโธได้ทั้งวันเลยเวลาที่เราคิดเรื่องอะไรที่เราไม่ต้องการให้คิดเราก็ใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธหยุดมันได้นี่ก็คือการใช้พุทธานุสติ โดยใช้พระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติเป็นเครื่องมือของการเจริญสติเพื่อหยุดความคิดต่างๆอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งวิธีหนึ่งก็การใช้กายยะกตาสติ<ม>กายยะก็คือร่างกาย<ม>คำว่ากายยะก็แปลว่ามาจากคำว่ากาย<ม>ร่างกายเราใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติได้คือเราก็คอยดึงผูกใจให้อยู่กับร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่ ก, การกระทาต่างๆของร่างกาย อย่าให้ใจไปอดีตอย่าให้ใจไปอนาคตอย่าไปที่ใกล้ที่ไกลให้อยู่กับร่างกายทุกอิเลียบทของการเคลื่อนไหวใจร่างกายกำลังยืนใจก็ต้องยืนไปกับร่างกายร่างกายเดินใจก็ต้องเดินไปกับร่างกายร่างกายทำอะไรใจก็ต้องทำอะไรทำอย่างเดียวกับที่ร่างกายทำอยู่อย่างนี้ก็จะทำให้ใจไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้เหมือนกับคำบริกรรมพุทธโธ ที่เราสามารถอาจจะใชใ้สลับกันได้บางทีถ้าเราเหนื่อยกับคำบริกรรมเราก็เปลี่ยนมาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนก็ได้คอยเฝ้าดูคอยผูกใจให้อยู่กับร่างกายถ้าไม่อยู่กับร่างกายก็ต้องผูกให้อยู่กับพุโทโธเป้าหมายของการเจริญสติก็เพื่อยับยั้งความคิดปรุงแต่งต่างๆนี่ไม่ให้คิดเพื่อที่เวลาที่เรานั่งสมาธินี้ใจเราจะได้นิ่งเป็นสมาธิได้ และเราจะได้เข้าถึงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งตวงได้เพราะถ้าเราสามารถเข้าถึงความสุขที่เกิดจากความสงบได้นี้ใจของเราจะมีพลังละมีกำลังต่อรองกิเลสตัณหากิเลสตัณหานี่มันจะดึงให้เราไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผธึกภะแต่พอเราได้รับความสุขจากสมาธิแล้วนี้เราจะมีกาลังต่อรอง เวลาที่กิลเลสบอกให้เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกินรถเราก็บอกว่าเรามีความสุขที่ดีกว่าด้วยความสุขที่เกิดจากความสงบแทนที่เราจะไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็บอกขอปิดตัวไปอยู่วัดดีกว่าขอปิดตัวไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบดีกว่าแต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราก็ไม่มีไม่มีทางเลือกพอเพื่อนชวนให้เราไปเที่ยวเราก็กระดีกระด่าขึ้นมาดีอกดีใจขึ้นมาทันที แต่เราแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วประเดียวประดาชั่วขณะที่ไปเสพไปสัมผัสพอกลับมาบ้านความสุขนั้นก็จะหายไปแล้วความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายก็จะกลับมาอีกแต่ถ้าเราสามารถทำใจของเราให้นิ่งให้สงบได้นีเราจะไม่รู้สึกมีความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเพราะเราสามารถทำใจของเราให้สงบได้อยู่เรื่อยๆนี้คือขั้นแรกของการชาระใจ เวลาที่เราทําใจให้สงบนิ่งความโลภความโกรธความหโงมันก็จะต้องสงบตัวตามความนิ่งของใจเพราะความโลภความโกรธความหโงนี้มันจะทํางานก็ต่อเมื่อใจมีการคิดปรุงแต่งขึ้นมาถ้าไม่มีการคิดปรุงแต่งขึ้นมาความโลภความโกรธความหโงก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นการทําสมาธินี่ก็เป็นการชําระความโลภความโกรธความโงได้แบบชั่วคราวเพราะเราไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลา พอเราออกจากสมาธิมาถ้าเราอยากจะป้องกันเรือดชำระความโลภความโกรธความหลงที่จะปรากฏขึ้นม า, ากับความคิดปรุงแต่งของเราเราก็ต้องเอาความคิดปรุงแต่งของเราไปคิดในทางที่จะทําให้กิเลสตัณหามันไม่เกิดขึ้นมาวิธีที่ทําให้เราคิดที่จะทําให้ความโลภความโกรธความหลงไม่เกิดขึ้นมาก็คือให้เราคิดไปในแนวของไตรลักษณ์ให้เราไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นลาบยศสารเสริญสุขนี้ เป็นไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องดับไปเป็นอนตตาเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้อยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขกับเราได้ไปตลอดถ้าเราเกิดความอยากที่จะไปให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเราก็จะต้องเจอกับความทุกข์นั่นเองหรือถ้าเราถ้าเขาอยู่ดีๆเขาเปลี่ยนไปจากสุขจากดีกลายเป็นไม่ดีไป ความสุขที่ได้จากดีก็จะกลายเป็นความทุกข์ที่ได้จากของไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเราต้องปเปลี่ยนแ น, แนวความคิดหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเมื่อก่อนเราจะไปคิดว่าลาบยศเสริญสุขนี้เป็นสิ่งที่ที่ดีที่ควรจะเสดที่ควรจะมีแต่เราลืมไปว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นของชั่วข่าวมันเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอด เวลาที่มันเปลี่ยนไปหมดไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับใจของเราก็คือความทุกข์ใจให้เราเปลี่ยนแนวทางของความคิดนี่เรียกว่าการเจริญวิปัสสนาก็คือเจริญปัญญาเราต้องมาเปลี่ยนแนวแนวความคิดของเราจากการที่เห็นทุกสิ่งในโลกนี้ว่าเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาให้มาคิดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราคิดแบบนี้ได้แล้วต่อไปความ่ว้ความโกรธความหยงที่เคยมีอยู่ในใจของเรนี้มันก็จะหายไปหมด เพราะว่ามันมันเห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกทุกว่าทุกเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงทุกว่ามันเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้เป็นของเราอยู่กับเราได้ไปตลอดมันจะต้องมีการพัดภาคจากกันเมือเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความทุกเห็นว่าโลกโลกธรรมสี่เห็นว่าลาบยศสรรสริญสุขนี้เป็นความทุกขเราก็จะไม่ไปหามันไม่ไปอยากได้มัน ถ้าเราเห็นว่าทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุ olun, คคลเข้าของเงิน e ทองอะไรก็ตามก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่มีความอยากได้อะไรถ้าเราตัดความอยากต่างๆหมดไปใจที่เคยวุ่นวายจากความอยากใจที่ทุกข์กับที่เกิดจากความใจที่ทุกข์ที่เกิดจากความอยากจากความโลภก็จะหายไปใจก็จะเหลือแต่ความสงบตลอดเวลาสงบที่ถาวร แล้วก็เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบที่ถาวรความสุขที่เกิดจากความสงบที่ถาวรที่ปราศจากความโลกความโกรธความหลงนี้เราก็เรียกว่าพันธิพานนี่ใจที่ได้ชำระจนสะอาดบริสุทธิ์ก็เรียกว่าเป็นพันธิพานขึ้นมาไม่ได้สูญหายไปไหนใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเดิมแต่ไม่ได้รู้สึกนึกคิดไปแนวทางของความโลภความโกรธความหลงอีกต่อไป ไม่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจต่อไปสร้างแต่ความสงบสร้างแต่ความสุขให้กับใจเพียงอย่างเดียวนี่แหละคือวิธีการดับความทุกข์และสร้างความสุขที่แท้จริงที่ยั่งยืนที่ถาวรให้กับใจของพวกเราทุกคนด้วยการปฏิบัติธรรมสข้อที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนนั่นนั่นก็คือหนึ่งให้เราละการกระทำบาปทั้งตัวสองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม สามให้ชำระใจสะตาดบรยสุทธด้วยการเจริญจิตตภาวนาสามถาภาวนาวิปัสนาภาวนาถ้าเราทำกิจทั้งสามข้อนี้ได้สำเร็จรุ่เรื่องสิ่งที่เราจะได้ก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างทาวรนและการได้พบกับความสุขที่ยั่งยืนที่จะอยู่คู่กับใจเราไปตลอดนี่คือเรื่องแรงที่จะเอามาฝากท่านในวันนี้เราคิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสาขลังเอวามีวะอิตโตทินังเตตานาังอุ ป, ปกาปติยอชิตังปฏทิตังตุมหังคิดเมวะสมิชฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวชจันตุสัพพโรโวีนัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะ าิววนนลลตะจจุุธธปรยสขช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใ ค, คาใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย และเขียนส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือจะส่งเข้ามาทางมือถือก็ได้หรือจะมาถามเองก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่ไาไหร่กราบธรรมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังทางเฟ e b o o k 437ท่านย t u b บ296ท่านทางด็อกเตอร์วีชาแ91ท่านวิทยวออนไลน์6 บัพเฮาสิบนากุติหนึ่งร้อยเก้าสิบห้า195รวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันสามสิบห้าท่านเจ้าค่ะกราบหลวงพ่อนะเจ้าค่ะขอความเมตตาหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูตอนนี้หนูคงจะต้องเลือกกรรมฐานคือไม่ได้เลือกหรอกเจ้าค่ะคิดว่าเป็นเรื่องของกรรมฐานผมออตอนนี้ที่กรบกราบามหลวงพ่อเมื่ออยู่ในซูมรอบที่แล้วอะค่ะหลวงพ่อบอกว่าให้เพ่งผม คราวนี้ผมที่คิดอยู่ที่กรรมฐานที่ติดดูเนี่ยก็คือว่าเป็นผมงอกทั้งหัวเจ้าค่ะแต่คราวนี้เวลาเพ่งเนี่ยมันไม่นิ่งก็เลยทําใหม่ก็คือว่าเอาผมงอกทั้งผมเนี่ยเพ่งเหมือนเดิมแต่ว่ามีมีผมอยู่หนึ่งเส้นอยู่ตรงกลางเนี่ยเจ้าค่ะโดยพิจารณาการเกิดรากผมขึ้นมาแล้วก็เพ่งเพ่งตรงจุดนี้จุดเดียวไปเรื่อยๆเจ้าค่ะพอเพ่งไปมันก็อยู่ได้นะเจ้าค่ะแต่พอ พอสักวังหนึ่งพลังของสติมันมันหมดเนี่ยก็กลับมามาพิจารผมเลยว่าผมเนี่ยมันเกิดยังไงเช่นเออไม่ใช่เช่นเ้าค่ะผมเนี่ยนึกเลยว่าผมเนี่ยมันมอีอ่รากผมมันมีเรื่องของน้ำเลือดแล้วก็มีเรื่องของต่อมน้ำเหลืองหรือว่าเป็นสิ่งปฏิกูลที่อยู่ตามรากผมเนี่ยค่ะแล้วก็งอกขึ้นมาเป็นเส้นผมแล้วก็พิจารว่าผมเนี่ยมัน ตอนเด็กๆอ่ะมันจะแบบเส้นอ่อนๆเป็นเป็นเหมือนกับลิ้วขึ้นมายังไม่แตกอะไรนี้ค่ะแล้วก็พินาไปเรื่อยๆจนจนมันแตกเปลี่ยนสีดําเป็นสีขาวแล้วก็เกล็ดผมมันแตกออกไปแล้วก็หลุดร่วงไปพอหลุดร่วงไปปุ๊บเนี่ยมันก็ยังเป็นเส้นผมอยู่ก็เลยใช้วิธีว่าทําลายเส้นผมให้มันเป็นธาตุเป็นธาตุดินพอเป็นธาตุดินปุ๊บก็กลับมาพินาใหม่พินาให้เป็น ลากผมขึ้นมาใหม่เจ้าค่ะวนกันอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะพอวนไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งจิตมันก็มันก็จะออกบางทีมันก็จะออกไปพิจารณาเป็นว่าผมเนี่ยเวลาหล่นไปในชามก๋วยเตี๋ยวในน้ําหรือในอยู่ในห้องน้ําเนี่ยมันก็จะไม่ไม่สวยไม่งามแล้วมันไม่ไม่สะอาดเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรายังไม่เป็นกลางนะเจ้าค่ะเราก็ยังมีความรังเกียจเขาไม่ไม่อยากจะกินข้าวที่มีผมอยู่ในจานข้าวหรืออะไรเนงะี้ยเจ้าค่ะ ก็จะพิจาอยู่อย่างนี้แล้วก็จะฝึกว่าผมเนี่ยที่หลวงพ่อเมตตาสอนในซูมคราวที่แล้วว่าผมเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขาวมาเป็นดำแล้วเป็นเกิดดับมันเป็นผมที่เกิดขึ้นมาแล้วเราตัดทิ้งมันไปปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นอนิจจังแล้วจา้าค่ะมันก็กลายเปว่าการพินาการเกิดอนิจจังของผมเนี่ยมันเป็นทั้งขาวเป็นดาก็ได้เป็นตัดออก หายไปไม่ใช่ตัวตนก็ได้เจ้าค่ะก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ก็วนวนอยู่กับตรงนี้ค่ะเป็นอ น, นิจจังเป็นแล้วก็พา่นาถึงความทุกข์ของผมว่าอา้าวเรามีผมดีๆของเรานี่แหละแต่เราก็มีความทุกข์ของผมคือว่าเราต้องมาสะมาดูแลเป็นภาระของเราคราวนี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็พิี่ณาอีกส่วนหนึ่งคือว่าอา้าวถ้าเกิดเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นโรคชราผมงอก ผมแห้งแตกร่วงไม่สวยไม่งามก็จะสลด อ, อ, อ, อีกแบบหนึง่งเจ้าค่ะก็จะพิจารวนวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแต่นี่ก็คือก็ทราบว่ามันเป็นสมถ า, าอยู่นะเจ้าค่ะแต่มันก็สามารถดึงใจของเราเนี่ยให้อยู่กับกับสิ่งสิ่งเนี้ยไปเรื่อยๆทำให้เราสามารถที่ที่จะนั่งสมาธิดูดตรงเนี้ยได้นานขึ้นเจ้าค่ะแต่พอเราเราเหนื่อยจากตรงนี้ปุ๊บ เราก็มากลับมาเพ่ ง, พงผมที่เป็นรากผมเหมือนเดิมเจ้าค่ะก็ทําไปทํามาอยู่อย่างนี้เจ้าค่ะก็กาบเรียนหลวงพ่อว่าทําอย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะมันเป็นการทําที่ถูกหรือเปล่าเจ้าค่ะก็อยู่ที่เราต้องการอะไรการทํามีสองแบบต้องการความนิ่งหรือต้องการความรู้ถ้าความรู้ก็ต้องความรู้ในใจลักษเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ไม่ทุกข์กับมัน แต่ถ้ า, าต้องการความนิ่งเราก็ต้องถ้ามันไม่นิ่งก็แสดงว่าไม่ถูกทางมันถ้ามันนิ่งก็ต้องไม่คิดมันถึนงจะนิ่ง uh huh. แตมบางทีเราทำไปแล้วมันมันแปลงตอนต้นก็เริ่มทาสมาธิเป้าหมายจะให้มันนิ่งแล้วทำไปทำมาก็ไปพิจารณา ป, ปทางปัญญาแทนมันก็เลยไม่ได้ทักอย่าง uh huh. ได้ความรู้ที่ยังไม่สามารถเอามา uh huh. ใช้ให้ให้ปล่อยวางได้ ก็เรายังห่วงผมอยู่ยังรักผมอยู่ถ้าพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์ก็ก็โกนมันทิ้งไปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ปฏิบัติแบบสับสนพูดแบบง่ายๆเจ้าค่ะคือไม่ได้ดีทักอย่างเจ้าค่ะนิ่งก็ไม่นิ่งความรู้ก็ไม่สามารถที่จะไปใช้อยู่ กิเลได้ใช่เจ้าค่ะมันก็เลยไม่ได้ผเลเจ้าค่ะในเวลานั่งเราต้องมีมีมมเป้าหมายเราต้องการนั่งให้มันนิ่งเราต้องการจะเจริญปัญญาเจ้าค่ะความดีใจเราไม่นิ่งเอ<ม>งเราจะไปเจริญปัญญามันไม่มีกําลังที่จะไปไปปล่อยวางได้เจ้าค่ะก็เบื้องต้นถึงบอกว่าให้เน้นที่ทางทําใจให้นิ่งก่อนอืมเจ้าค่ะมันจะให้สงบให้เป็นอุเบกขาเจ้าค่ะให้ใจมีความสุขในตัวของมันเอง พอ ม, มีความสุขแล้วมันก็ไม่ไปเพิ่มผมให้เป็นความสุขคนเราสมัยนี้ยังต้องอาศาัยผมเพื่อให้มีความสุขใช่ไห ม, มต้องไปย้อมสีบ้างต้องไปตัดต้องไปแต่งพอได้เห็นผมสวยแล้วก็เกิดความสุขใจขึ้นมามแต่ถ้าเรามีความสุขทางสมาธิแล้วเราก็ไม่แคร์แล้ว<ฮ>ผมมันจะหัวล้นก็ได้ไม่เปปัญหาอะไรเอาพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์ถ้าาต้องไปคอยคอยรักษามันคอยไปปรุงไปแต่งมัน ก็ตัดทิ้งมันเลยโกนทิ้งไปเลยดีกว่าหมดเรื่องเจ้าค่ะอันนี้ดังนั้นมันต้องเอาให้เอาทีละเรื่องดีกว่าอย่าเอาเจ้าค่ะเอาเอาสองเรื่องแล้วมันสวนทางกันทางหนึ่งให้นิ่งอีกทางหนึ่งให้คิดมันก็เลยไม่ได้ทั้งสองอย่างให้มันนิ่งก็จะไปคิดพอไปคิดก็ไม่มีกําลังที่จะไปตัดความรูบความอยากได้เจ้าค่ะอะไรต้องต้องรู้ว่าละที่เรากําลังทําอยู่ว่าเรากําลังทําอะไรเจ้าค่ะ มันกาเรียนหนังสือเราเรียนตอนนี้วิชาอะไรประวัติศาสตร์หรือคณิตศาสตร์มัน่เรีย น, รนประวัติศาสตร์ไปสองสองสอ ง, สองบทแลเอาเอาคณิตศาตสาตร์มาคำนวณต่อเจ้าค่ะมันก็เลยไม่ได้อะไรเปนเกาะเป็นกรรมเจ้าค่ะได้ปนกันไปปนกันมาเจ้าค่ะต้องต้องรู้จักว่าเราตอนนี้เร า, ากําลังทําอะไรอยู่เจ้าค่ะเราต้องการความนิ่งหรือเราต้องการความรู้เจ้าค่ะความรู้ก็ต้องเป็นความรู้ที่เราปล่อยวาง ทำมาใช้กับการปล่อยวางไม่ให้เราไปทุกข์ไปกังวลกับสิ่งที่เราพิจารณาอยูงง่เจ้าค่ะแล้วตอนทนี่คืออย่างนี้ค่ะคือนั่งนั่งสมาธิไปก็เพ่งผมไป <laughs> เพ่งผมไปนี่มันเพเพื่อให้นิ่งไงเพื่ให้นายทีให้ดูเฉยเฉยแต่แต่สติมันน้อยเจ้าค่ะมันก็เลย มันก็เลยเพลงไม่ไม่ไม่ไปถึงใช่บลริกรรมบริกรรมแต่ทำมันน้อยกับผมผมผมไเกศาเกศาเกศาแล้วก็นึกภาพผมไปอะเจ้าค่ะอย่าไปคิดเรื่องเราอย่าอย่าอย่าลอกอย่าไปคิดทางที่หนูเล่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะกังโบหลวงพ่อเจ้าค่ะจะได้ไปทําไหมเจ้าค่ะพระคุณเจ้าค่ะาใช้เกศาเกศาเกศาเกศาไปก็ได้แล้วก็ดูผมไป มีคำถามจากผู้รับฟังธรรมานากุติเจ้าค่ะหากเราเจ็บป่วยทุกใจกับการเจ็บป่วยเอาเรื่องของกฎไตรลักษ์มาใช้พิจารณาประกอบเพื่อให้มีสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งแบบนี้ถูกต้องไหมใช่ค่ะถก้ถ้าเรายอมรับความจริงว่ามันต้องป่วยและมันต้องตายเราก็จะไม่มีความอยากให้มันหายหรืออยากให้มันไม่ไมตาย มันจะป่วยก็ปล่อยมันป่วยไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับมันสําคัญต่อไปมีคําถามจากคุณเมธิกากราบนมัสการเจ้าค่ะลูกนั่งภาวนาแล้วเกิดอาการเหมือนมีอะไรมาอุดจมูกเหมือนหายใจไม่ออก จากนั้นจะรู้สึกถึงปากและฟันจะเด่นชัดมากแล้วลมจะ ก, กระพี้อยู่ในปากบางครั้งลมก็จะขึ้นลงอยู่ระหว่างนิ้นปีกับอกเป็นอย่างนี้มาประมาณสองปีแล้วตอนแรกลูก ใช้การภาวนาแบบหายใจเข้าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่ปัจจุบันลูกพยายามแก้าการที่เกิดขึ้นด้วยการบริกรรมพุทโธและไม่ทิ้งพุทโธแต่อาการก็ยังไม่หายขอพระอาจารย์เมตตาลูกด้วยเจ้าค่ะอาการอะไรไม่หายอาการที่รู้สึก เวลาหายใจไม่ออกนะคะนั่งสมาธิแล้วหายใจไม่ออกแล้วก็รู้สึกถึงปากแล้วฟันจะเด่นชัดแล้วจะมีลมกระพือยู่ในปากบางครั้งลมก็จะขึ้นลงอยู่ระหว่างนิ้นปี่ก็ไม่ต้องไปทันไม่ต้องใชไ้ไม่ต้องใช้ลมใช้ลมไม่ได้ครับใช้ลมแล้วมีปัญหาก็อย่าเพิ่งไปดูลมให้ใช้คําบาลกรรมอย่างเดียวใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวหรือใช้บทสวดมนต์ไปก่อนอิติปิโสไปก่อน ไม่ต้องไปดูลมเพราะว่าสติเรายังมีกำลังไม่มากพอมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมะาากุติเจ้าค่ะกราบเรียนหลวงพ่อสุชาติข้าพเจ้าเคยนั่งสมาธิจนกระทั่งผม รู้รู้สึกว่าจิตมันมีความสุขเหมือนไม่มีร่างกายตัวเองอยู่คือกลัวความตายครับพอรู้สึกกลัวก็ออกจากสมาธิไปเลยครับผมควรทำอย่างไรครับก็ออกมาสอนต่อสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสมบัติชั่วคราววันหนึ่งก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจปล่อยให้มันไปจากเราทำให้มันตายไป คำถามจากเฟ e บุ o k เจ้าค่ะของคุณทีทีคัานาคำถามการที่เห็นตัวเองนอนแล้วเห็นแขนกอดกันแต่เห็นเป็นกระดูกกอดกันเมื่อเห็นแล้วเวลาพิจารณาต้องทำอย่างไรเจ้าค่ะอ่านใหม่ได้อ่านใหม่ การเห็นตัวเองนอนแล้วเห็นแขนกอดกันแต่เห็นเป็นกระดูกกอดกันเมื่อเห็นแล้วเวลาพิจารณาต้องทำอย่างไรเจ้าคะก็ปล่อยวางมันเิถ้ามันเป็นกระดูกก็ปล่อยมันอย่าไปหลงไปรักมันใครไปรักกระดูกบ้างเห็นโครงกระดูกแล้วชอบที่เราพิจารณาร่างกายของเรามันไม่สวยไม่งามมันมันมีเพียงแต่หนังหุ้มห่อของที่ไม่สวยงามอยู่ เือโครงกระดูกเป็นต้นเพื่อให้เราไม่ไปหลงไหลกับความสวยงามของร่างกายคำถามต่อไปจากคุณจอมจิตเจค่ะกราบดมัสการพระอาจารย์ค่ะการพิจารณาไตรลักษ์ระหว่างเจริญสติจะพิจารณาอย่างไรไม่ให้เป็นกลายเป็นการปรุงแต่งค้าของเมตตาค่ะในเวลาเจริญสติเราไม่ต้องการคิดเยอย่าเพิ่งคิดไง เราข้ามขั้นตอนไปไปขั้นที่สามเราต้องทําขั้นที่หนึ่งก่อนก็คือใช้สติหยุดคิดเมื่อหยุดคิดได้ก็ไปนั่งสมาธิเป็นขั้นที่สองพอได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาเราข้ามไปขั้นที่สามก็คื อ, คอไปคิดพิจารณาตายรักษต่อไปถ้าทําข้ามขั้นตอนแล้วมันก็จะไม่ได้ผลงั้นอย่าเพิ่งข้ามขั้นตอนขั้นตอนแรกให้มีสติหยุดคิดให้ได้ก่อนคํำถามต่อไปจากคุณเอกชยัย การฝึกเจริญวิปัสนาหรือการเจริญปัญญาคือการใช้ความคิดพิจารณาตรึกตองหาความจริงตามกฎไตรลักษณ์ใช่ไหมครับใช่เป็นการศึกษาความจริงของของสิ่งต่างๆว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของเราถ้าเราไปยึดไปติดเราก็จะทุกข์กับมันคำถามจากคุณเด็กน้อย กราบธรรมการถามครับผมนั่งนึกว่าตายตายตายตามจังหวะเพลงเร็วที่เคยฟังจนความรู้สึกปวดขามันจางไปรู้สึกว่าสงบดีจนเสียงนาฬิกาดังได้สองชั่วโมงครึ่งแบบนี้เป็นมรณาสนุสติถูกไหมครับไหนว่าใหม่หรืไม่ขัดใจกราบธรรมการครับผมนั่งนึกว่า ตายตายตายตายตามจังหวะเพลงเร็วที่เคยฟังจนความรู้สึกปวดขาบรรจังไปรู้สึกว่าสงบดีจนเสียงนาฬิกาดังได้สองชั่วโมงครึ่งแบบนี้เป็นมรณานุสติถูกไหมครับจะทำให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไรดีครับก็ต้องทำต่อเวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็ต้องนึกถึงความตายต่อไปอยู่เรื่อยๆไม่ให้เรากลัวตาย ถ้าเรายังกลัวตายอยู่ก็ยังไม่ได้ไไดปล่อยวางต้องพิจารณาว่าร่างกายต้องตายจนกว่าเราจะหายกลัวยอมให้ร่างกายตายได้อันนั้นถือยอะเป็นเรียกว่าเป็นการเจริญมรร น, นสติคำถมามต่อไปจากคุณเรียวกราบธรรมสการพระอาจารย์ข้อสงสัยว่าถ้าจิตไม่ใช่เราเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเรื่องของจิต จิตเป็นเหมือนบ้านเท่านั้นตายแล้วเกิดใหม่ร่างใหม่ก็เรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราเป็นความเห็นที่ผิดหรือเปล่าคะก่อนที่เราจะมาคิดถึงเรื่องจิตได้เราเราต้องปล่อยเรื่องภายนอกก่อนภายนอกจิตก่อนปล่อยเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองปล่อยเรื่องคนนั้นคนนี้ให้ได้ก่อนไม่ไปยุ่งกับเขาก่อน <S <S เขาจะเป็นจะตายก็เรื่องของเขาแล้วเราค่อยมาปล่อยจิตของเราอีกทีก่อน คำถามจากคุณบันเทิงกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับกระผมนั่งภาวนาไปสักระยะหนึ่งมีมดมากัดตามลำตัวม า, มาเยอะครับเราวางอุเบกขาได้ไหมครับเพื่อฝึกสติหรือว่าต้องออกจากสมาธิครับเราวางได้ก็ดีเพราะเราต้องการจะต้องการฝึกอุเบกขาเพราะฉะนั้นอะไรจะมาเกาะมาตอมอะไรก็ปล่อยให้มันเกาะมันตอมไป คิดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราอะไรจะเกิดกับร่างกายก็ไม่ได้เกิดกับใจใจก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันใจก็วางเฉยคำถามต่อไปต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถควบคุมจิตที่โรลงออกมาเองได้คะ เป็นทุกข์กับจิตที่ปรามาภารัตนาตยที่โพร่ อ, ออกมาเองโดยที่เราไม่เห็นด้วยไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเราเมื่อเกิดขึ้นก็ไม่กล้าพิจารณาเพราะกลัวค่ะก็หมัน่นเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเรื่อยๆสวดบทอิติปิโสไปเรื่อยๆให้มีสติคอยควบคุมความคิดคำถานจากคุณนาวินกราบเรียนถามพระอาจารย์ จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือดับทุกใช่ไหมครับจิตเห็นกิเลสถึงจะดับทุกได้เห็นกิเลสเห็นโลกโกรธหลงแล้วก็หยุดความโลกความโกรธความหลงได้ก็จะดับความทุกได้หมดแล้วเหรอเจ้าค่ะโอเคว่า okay. มีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีนะไม่มีก็คิดว่าพอจะถามเหร อ, เ, อเชิญ เ, เข้ามาเอาไมโครโฟนไ้ พูดดังๆหน่อยพูดใกล้ๆหน่อยค่ะาบางครั้งหนูนั่งสมาธิข้างนอกบ้านแล้วก็โดนยุงกัดแต่หนูก็วางเฉยกับยุงได้นะคะแต่ว่าหนูไม่ทราบว่าตอนเราควรจะไปซื้อมุ้งกันยุงมากรางไหมคะถ้าระยะยาวก็ควรจะกรางไว้เพราะว่าบางทียุงมันมีพาหะมีเชื้อทาให้เราเจ็บไข้ได้ปวยได้ไดออแต่ถ้า <c oughs> อยู่ในภาวะที่จำยอมก็ปล่อยมันกัดไป แต่ถ้าเราป้องกันได้เราก็ควรจะป้องกันเจ้าค่ะมีมุ้งรว่แล้วมีมุ้งอะไรเนี่ยมุ้งที่นั่งข้างนอกบ้านนะคะเวลาพระท่านไปอยู่ในป่าท่านก็มีมุ้งอ๋อเจ้าค่ะมีมุ้งเหมือนกันเจ้าค่ะกางได้ไม่ไม่เป็นไรสาธุเจ้ค่ะเอแล้วเนี่ยวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ